นมัตุรัตนตยัตสะข อ, อนอบ้อมได้ประรัตตนไรขออำนวยพรแต่ญาตโยมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะนั่งตามสบายธรรมปฏิบัติที่ชื่อว่าความธรรมและปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติอานาปานัสติ ครั้งที่เจ็ดสิบเก้าก็ในเดือนมิถุนายนก็มีการเปิดคอร์สสำหรับผู้ใหม่ครั้งแรกมีผู้เข้าปฏิบัติประมาณสิบเจ็ดคนใช่ไหมสิบเจ็ดคน เรียกว่าปฏิบัติเข้มข้นไม่มีการออนไลน์ไม่มีการถ่ายทอดเป็นการปฏิบัติแบบรัดสั้นตรงเน้นเรื่องการทำความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อมีสภาวะรองรับต่อความรู้ก็กะว่าสองวันนั้นนะให้ได้รู้จักวิธีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องก็ได้ปรึกษากันถึงเรื่องวิธีการก็ปรากฏว่าได้ผลดีได้ผลเกินคาดก็น่าจะมีรุ่นต่อไปก็กรับคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องจริงถ้าเราทำให้มันถูกต้องตามหลักการที่แท้จริงผลมันก็จะเกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ไม่ใช่มโนุหรือว่าไม่ใช่มานั่งหวังนั่งรอผลนั้นมันจะเกิดขึ้นทันทีตามลําดับแห่งการทําเหตุเพียงแต่ว่าเราทำให้มันถูกต้องแค่นั้น นี่การที่จะทำให้ถูกต้องบางครั้งบางคราวมันก็จะต้องอาศัยการอธิบายการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการอ้างอิงถึงคำพีโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็คำสอนของพระเทรานุเทระในรุ่นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ มาเป็นหลักในการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติของเรานั้นเมื่อเราทำเหตุที่ถูกต้องผลที่เกิดมันก็จะถูกต้องเสมอทําเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นก็ปรากฏมันจึงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งเฝ้านอนรอ ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งมันจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไออย่างนี้มันเป็นการปฏิบัติที่มีการละเว้นคือมันมีช่องว่างมันมีช่วงที่หายไปของเหตุผลมันจัดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าเราเข้าใจไม่ตรงตามความเป็นจริง ในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเรื่องบุญที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราจำความได้เสียงคำว่าบุญเข้าหูเรามาตั้งแต่เรายังอ่านหนังสือไม่ออกและเราเริ่มรู้สึกว่าอยากได้บุญตั้งแต่เรายังไม่ได้เรียนหนังสือเราอยากได้กันมากยิ่งโตขึ้นมาเรายิ่งโง่ในเรื่องของบุญ ยิ่งเราโตอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราไปเข้าใจบุญผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำกันแทบเป็นเทพตายแต่บุญได้หรือเปล่าตัวเองตอบไม่ได้แถมบางคนยังมารำพึงรำพันอีกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำชั่วอะไรเลยทำแต่ทานใส่แต่บาท ทำไมมันจึงมาเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันเนี่ยชีวิตนะมันกลับเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าเราเข้าใจบุญผิดพอเราเข้าใจบุญผิดทิศทางในการดาเนินชีวิตของเรามันก็เลยไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันโทษโทษใครกันไม่ได้นะ ต้องโทษตัวเราเองนี่แหละที่ไม่ไม่ยึดถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วไปเอาคำสอนของใครไม่รู้คำบางอย่างที่มันขาดเหตุขาดผลมันไปไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบอกว่าให้ปล่อยปล่อยเต่าหนึ่งร้อยแปดตัวหมอบอกอยู่แล้วว่ามันแทรกซึมไปทั่วทุกกระบวนการเซลล์ของร่างกายแล้ว ไม่สามารถที่จะทำการอย่างอื่นได้แล้วแต่ไปหาคนเขาบอกว่าเนี่ยพระบอกให้ปล่อยเตาหนึ่งร้อยแปดตั ว, ตวแทนที่จะได้เหลือเก็บเป็นค่าลงนะค่ารถจุกเจิญค่ารถอะไรเงี้ยไปถือเตาอีกร้อยแปดตัวเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความมั่นคงเราไม่มีความแน่ใจเราไม่มีความแน่วแน่ในเรื่องของคำว่าบุญที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นแค่คำว่าบุญคำเดียวให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่ามันสับสนและมันทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตของเรามากแค่ไหนเพราะความไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันจึงมีกระบวนมิจฉาชีพเรียกได้เลยว่ามิจฉาชีพที่ใช้เพจใช้ a c e b o o k ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเส้นทางทางออนไลน์เพื่อที่จะสื่อสารเข้าสู่คนหมู่มาก ทำคอนเทนต์ประกาศรับบริจาคเพื่อการนั้นการนี้แถมพ่วงท้ายคำว่าอานิสงส์ตกท้ายไว้ให้ด้วยเราก็เป็นไงเราอยากได้ตรงไหนเราอยากได้ตรงอานิสงส์เขาบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้และจะได้รถสูกรางวัลที่หนึ่งค้าขายรำ่ำรวยมีเงินมีทอง แต่เพื่อนก็ตื่นขึ้ น, นมาขายของทั้งติดเตรียมร้านขายของตีสีเราเจ็ดโมงยังไม่ตื่นหวังจะไปทำบุญนั่นเลยให้มันได้มันได้ไหมมันไม่ได้หรอกวันบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคุณชาติชนิดที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่พุ่งเข้ามาสู่ใจบุญของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นบุญที่มุ่งเข้าไปจัดการภายใน ถ้าเป็นบุญที่มุ่งไปจัดการภายนอกหวังเสพสิ่งภายนอกผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นของพระพุทธเจ้าบุญจะต้องมุ่งเข้ามาข้างในในไหนอ่ะในตัวเองทานก็ต้องมุ่งเข้ามาในตัวเองศีล eh. ก็ต้องมุ่งเข้ามาในตัวเองภาวนาก็ต้องมุ่งเข้ามาในตัวเองมุ่งเข้าไปที่ใจของเจ้าของเพราะธรรมาชาติที่ชื่อว่าบุญนั้นมันเป็นธรรมาชาติที่เป็นไปเพื่อความขัด เราเป็นไปเพื่อความซักพอกเป็นไปเพื่อความกระทาให้มันเกิดความสะอาดนั่นแหละธรรมชาติที่ชื่อว่าบุญอซักพอกอะไรอะ่ะซักพอกโลภโกรธหลงบาปอ่ะบาปว่าธรรมชาติใดที่เป็นไปเพื่อความพอกพูนธรรมชาตินั้นชื่อว่าบาปถ้าเราทําเงินทําบุญสร้างเจดีย์หนึ่งร้อยล้านหวังที่จะให้ได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งราคาหนึ่งพันล้านเราได้บุญหรือได้บาป ต้องกล้าพูดเลยว่ามันเป็นบาปต้องกล้าพูดอย่าไปอุ้มอุมอุมอ ม, อมต้องกล้าพูดว่ามันบาปเพราะมันเป็นอะไรพอกพูนไม่ใช่ขัดเกลา์ดังนั้นของพระพเจ้านี่ทั้งทานศีลภาวนาเป็นเรื่องราวของการขัดเกลวใช่ไหม เนี่ยถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้เราก็จะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกชุกช่องทางทำก็สบายอกสบายใจอันนี้เป็นต้นนะในเรื่องของคําสอนของผู้เจ้าเนี่มันจึงเป็นเรื่องใหญ่บางทีเวลาเราจะไปปฏิบัติธรรมสักที่หนึ่งเราก็จะต้องอาศัยอะไรโปรไฟล์ถ้าใครที่มาสอนเรามีโปรไฟล์สองสามหน้ากระดาษเอซ ทั้งที่สอนผิดเพี้ยนไปก็มีเราก็จะไปเขาบอกอคนหนึ่งประกาศตัวเป็นพระบิดาก็ตอนแรกบอกเป็นคนป่าป่าเขาเขาไม่เท่าไหร่พอบอกว่าเป็นด็อกเตอร์มากอ่อนอูเก่งเนาะ่าเริ่มมาแล้วคือพอมีอัดโปรโฟไฟล์เข้าไปแล้วก็ความเลื่อมใสก็ค่อยๆกำบังเกิด ดนั้นเราเราจึงจาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จะต้องมั่นคงในพระพุทธเจ้าเขาไว้อย่าวิ่งหาแต่โปรไฟล์ในทางปฏิบัติของกลุ่มพวกเราทั้งหมดเมื่อกี้ได้พูดถึงพวกที่เข้ามาในคอร์สใหม่เดือนมิถุนาตั้งเป้าวไว้ว่าพวกที่เข้ามาใหม่นั้น ใ ห, ให้รู้หลักของอนาปานสติเบื้องต้นตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามที่พระสารีบุตรท่นนานขยายความไว้เรื่องสภาวะสามประการแรกคือนิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าต้องรู้รู้เข้าใจแล้วก็มีสัมภามีสมภาวะมารองรับก็ปรากฏว่าทุกคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซนได้สามสามสมภาวะนี้ ต่อจากนั้นการรู้ลมจัดลมเป็นเป็นลมออกลมเข้าและลมที่เป็นโผถัพพารล์ก็นำพาทุกคนเข้าไปเพื่อให้รู้จักกับลม่นิดที่เรียกว่าโผถัพพารล์ก็ปรากฏว่าทุกคนก็เก้าสิบเก้าปเซนเข้าใจแล้วก็มีโผถัพพารมมารองรับถวนว่ามันจะชํานาญหรือไม่ชํานาญนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนและเรื่องสำคัญ คือเรื่องของจิตผู้รู้ในสภาวะของจิตผู้รู้ที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในที่สุดในผู้เข้าใหม่ทุกคนสามารถที่จะมีความรู้และความเข้าใจในจิตผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใหม่คอที่หนึ่งต้องอาศัยความเพียรอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะจะมาบอกว่าจะไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่แล้วต้องเอาความเพียรเข้ามาเป็นเรื่องต่อเนื่องของของของตัวเองเช้าวันนี้นี่รวมต้องผู้ใหม่ผู้เก่าเป็นการฟังธรรมในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกก็จะให้ฟังธรรมเรื่องง่ายง่ายเบาๆบ au, แต่หนักหนักไม่ค่อยจะได้ฟัง ฟังแล้วเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจก็จะทำเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งเราในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีทางเดินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการชัดเจนของเส้นทางของชีวิตสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมันบางครั้งบางคราวมันจำเป็นที่จะต้องเจอเรื่องหนักๆวันนี้จะพูดเรื่องอะไร ช่วงนี้จะใกล้วันอะไรอาสาหาบูชาเป็นวันที่อะไรพระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาใช่ไหมโดยการแสดงพระธรรมจักปรปวัตนสูตรในพระธรรมจักปรปวัตนสูตรมีอะไรเป็นสิ่งสำคัญฮะอริยมรรคมียองแปดเออริยสัตสิอริยมรรคมียง อ, อ, อ, ยสสอยยงแปดว่า ในอริยมรรคมีองค์แปดมีอะไรสำคัญเกิดขึ้นก่อนสมัสามมาทิฏฐิมีใครเป็นอย่างอื่นไหมอ๋อจกักขุกรณี <laughs> มัฟิมาปฏิปทามีคำไหน อ, อีกไหมมีคำไหน อ, อีกไหมถ้าไม่มีใครกล้าตอบให้ตั้งใจฟัง แล้วเข้าสู่จิตผู้รู้ตัวที่สำคัญเป็นเบื้องต้นคือสัมมาสมาธิถ้าปริยัติหรือคิดก็จะตอบสัมมาธิติแต่ถ้าปฏิบัติตัวที่สำคัญคือสัมมาสมาธิ ทำไมจึงตอบว่าสมาสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าจัดเห็นไหมเราจะต้องเอาอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเกณฑ์ที่ไปตอบสีสัวไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาทำสภาวะให้มารองรับต่อต่ อ, ตอความรู้นี้ทำไมจึงตอบว่าสมาสมาธิ เป็นใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิมีเหตุมีองค์ประกอบเจ็ดประการอะไรเป็นองค์ประกอบของสัมมาสมาธิหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจารสี่สัมมากรรมตะห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายมะเจ็ดสัมมาสติเห็นไหม องค์ประกอบของสมาสมาธิมีเจ็ดประการแสดงว่าสมาสมาธิมาเป็นหนึ่งด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสบ่อยมา ก, กว่าสมาทิงพิกเขเวพาเวทะพิกสุททงหลายเธอจงจเจริญสมาธิเธอถ้ามีใครมาบอกว่าสมาธิไม่ต้องทำใช่ ไ, ไห ม, ไมไเออเออวิฝฟันทง ต้องควันถทงใครมาบอกว่าเว้สมาธิไม่ต้องทําใช่ไม่ได้ไม่ต้องไปทําสมาธิไปนั่งงเหนื่อยทําไมไปฝึกฝนทําไมอย่างนี้กำลังรุกรานพระสัตยธรรมกําลังบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เรามาดูต่อสิทําไมสมาธิจึงเป็นใหญ่ทำามสมาธิจึงเป็นหลักเป็นสําคัญเพราะว่าการเห็น การรู้การเห็นมันจะต้องอาศัยอะไรอืมต้องอาศัยจิตที่ตั้งมัน่นถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่เพียงพอมันจะเข้าใจในเรื่องที่เราต้องการเข้าใจไหมถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่เพียงพอเราจะเห็นชัดในสิ่งที่เราต้องกำลังดูอยู่ไห ม, มถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่เพียงพอ เราจะมีความรู้สึกชัดเจนต่อสิ่งที่เรากำลังจะรู้สึกอยู่ไหมสัมผัสอยู่ไหมเพราะตัวที่ความตั้งใจความตั้งใจที่มีกำลังอย่างเพียงพอมันจึงทำให้เราเกิดการรู้การเห็นที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้หลักธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติของใจเวลาเราไปโรงเรียนเข้าไปถึงตั้งแต่อนุบาลมาเลยคุณครูยืนอยู่หน้าไวบอร์ดอะ ทำขยุกขยิ๊กขยุกขยิกอยู่ที่หน้ากระดานที่หน้าไวบอร์ดแล้วครูครูบอกเราว่าว่าไงเราก็พยายามไปนั่งคุยกับเพื่อนจุกติ๊กจุกจิกคุณครูหันมาบอกเราว่าไงเด็กหญิงริวตั้งใจดูหน่อยลูกดูมันต้องใช้อะไรดูะทําไมคุณครูถึงบอกว่าเด็กหญิงริวตั้งใจดูหน่อยลูกเพราะทําให้ตั้งใจมันดูไม่ชัดใช่ไหม ถ้าไม่ตั้งใจมันจะฟังไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจมันจะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอืมเพราะฉะนั้นอะไรสําคัญที่สุดสําคัญพอกันนะเหมือนพ่อกับแม่ใครสําคัญที่สุดพอกันนะแต่ตัวที่สําคัญก่อนคือสมาสมาธิทีนี้ในสัมมาสมาธิมีองค์ประกอบ เจ็ดประการใช่ไหมในเจ็ดประการนี้อะไรเป็นใหญ่อะอะ่สมมาทิฏฐิเออรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันอืมถูกต้องสมมาทิฏฐิเป็นประธานในองค์ประกอบทั้งเจ็ดทำไมถึงเป็นอย่างนั้น และไอ้ตัวความสิ่งที่ว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวไหนเราพยายามคิดถึงํำเทศที่อาจรมาเคยเทศใช่ไหมหรือเรากำลังยังคิดถึงหนังสือที่เราเคยอ่านใช่ไหมหรือเรากำลังคิดถึงคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อบางรูปอยู่ใช่ไหมอาจรมาแนะนำไม่ต้องคิด วิ่งเข้าไปหาใครวิ่งไปหาจิตผู้รู้ที่เป็นสภาวะทึ่งเราเคยปฏิบัติมาอย่างต่อเ น, นื่องมุ่งไปหาจิตผู้รู้ว่าจิตผู้รู้ที่มีตัวระลึกและรู้คลออยู่กับสิ่งที่ระลึกตั้งแต่รู้โดยใบชะเพาะหน้ารู้อยู่ที่ผู้ถาพารลม ตัวรู้หรือจิตผู้รู้นั้นเขาเป็นกลางไหมอ่าเป็นกลางใช่ไหมเขาไม่เอนเอียงไม่ไปปักไม่ไปแนบอยู่กับสภาวะใดเลยเห็นไหมตัวผู้รู้ที่เขารู้อยู่ที่โผฏภาล์อมะ เขาไม่ได้ไปปักแนบอยู่ที่โผถัพพารลม์ก็ไม่ได้ไปปักแนบอยู่ที่ลมออกไม่ปักแนบอยู่ที่ลมเข้าไม่ได้ไปปักอยู่ที่นี่มิตเพียงแค่เขาทําหน้าที่รู้ลมชนิดที่เป็นโผถัพพารล์คลูดออกไปรู้ลมชนิดที่เป็นโผถัพพารลมคลูดเข้ามาให้ระลึกถึงจิตผู้รู้ของลมหายใจคู่แรกที่เราเริ่มรู้ทำความรู้จักนั้นตรงนั้นจะเป็นจิตที่เป็นอะไรเป็นกลาง คือจิตที่เป็นกลางจิตผู้รู้ที่เป็นกลางอย่างมั่นคงในจิตผู้รู้ของลมหายใจคู่แรกนั่นคือตัวสมาธิความมั่นคงนะคือตัวสมาธิจิตผู้รู้ที่เป็นสภาวะนี้แหละที่รู้มิจฉาทิฏฐิรู้ ว่านี่เป็นมิจฉาทิฐิรู้ว่านี่เป็นสัมมาทิฐิรู้ว่านี่ผิดรู้ว่านี่ถูกจิตผู้รู้ ท, ที่เป็นกลางและรู้ว่านี่ผิดรู้ว่านี่ถูกทันไหมจิตผู้รู้ที่เป็นกลางซึ่งสามารถรู้ได้ว่านี่ผิดนี่ถูกนี่มิจฉาทิฐินี่สัมมาทิฐิจิตผู้รู้ที่เป็นกลางรู้ว่านี่มิจฉาทิฐิ นี่สัมมาทิฏฐิความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิครังใหม่จิตผู้รู้ที่รู้ว่านี่ผิดนี่ถูกนี่มิจฉาทิฏฐินี่สัมมาทิฏฐิความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิพระเจ้าตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิพิกเว มิจฉาทิฏฐิปัญชานาติทิศุทั้งหลายผู้ปฏิบัติรู้ชัดว่านี่มิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิานะปัญชานาติรู้ถึงสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิาศสาสศศาส สัมมาทิฏฐิโหติความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิทันไหมทันไหมนึกถึงสภาวะที่เป็นผู้รู้ทันไหมทันไหมฝั่ง น, น, นว้นทันว่าสุวรทันไหมนึกถึงสภาวะที่เป็นจิตผู้รู้ที่รู้ว่านี่ผิดนี่ถูก นี่มิจฉาทิฏฐินี่สัมมาทิฐิความรู้นั้นเป็นสัมมาทิธฐิจะไม่ผ่านตรงนี้ไปก่อนทีนี้มาดูกําลังของมักมักมีแปดใช่ไหมเมื่อกี้มีแปดตัวสัมมาทิฐิจะมีสองระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฐิชนิดที่เป็นสาสวะ ระดับที่สองส ม, มาทิฏฐิที่เป็นอาณาสะวะส ม, มาทิฏฐิที่เป็นสาสะวะคือส ม, มาธิฏฐิแบบไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องไปดูว่ามิจฉาทิฐิคืออะไรความเห็นผิดความเห็นผิดคืออะไรเห็นที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริงถูกไหมเช่นอะไรบ้่ง เออหนึ่งนะเห็นยังไงอีกเราพูดมาดูสิอะไรที่มันขัดแย้งต่อความเป็นจริงพูดมาเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณดีชั่วไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีสัตว์ชนิดที่เป็นโอปาติกะไม่มีโลกอดีตไม่มีโลกหน้าไม่มี นั่นเองทานไม่มีเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิการบูชาไม่มีผลอืเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าจิตผู้รู้เห็นความเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มันปรากฏก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็รู้ว่านี่เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ชนิดนี้ที่อยู่กับความเป็นกลางเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะมีสองระดับระดับที่เป็นสาวะกับระดับที่เป็นอนาสวะสมาทิฏฐิที่เป็นสาวะคือสัมมาทิฏฐิของปุตุชนคนขี้เหม็นทั้งหลายเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิของปุตุชน สัมมาทิฏฐิของผู้ตุชนคือเห็นว่าทานมีบุญมีบาบมีที่ถูกต้องนะสัมมาทิฏฐิของของชนิดที่เป็นของสาสวาวะนั้นของผุ้ตุโชนนั้นคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นบุญมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ยังเกาะ อ, อยู่กับบุญ แล้วก็ยังมีผลต่อชีวิตที่มันเป็นอยู่พ่อแม่มีบุญคุณนะเป็นสมาทิฏฐิในชั้นนี้นะโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกอนต์มีคือไม่ไปปฏิเสธขัดแย้งกับสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสมาทิทิชนิดที่เป็นสาสวะสมมาทิทฐิที่เป็นอนาสวะ ก็คือสมาธิฏิในชั้นของโลกุตระมักก็ของพระอริยเจ้า hmm. เมื่อต ก, กี้บอกว่าจิตผู้รู้ที่รู้เห็นว่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นสมาธิฏฐิความารู้นั้นเป็นอะไรเป็นสมมาธิฏฐิอ่า ทีนี้ความพยายามความพยายามในการละมิจฉาทิฏฐิความพยายามในการละมิจฉาทิฏฐิและความพยายามในการเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามนั้นเป็นอะไรสัมมาเลยนะสัมมาวายามะดูจิตผู้รู้เป็นฐานไว้นะเมื่อจิตผู้รู้เห็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นอ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิและเกิดความพยายามในการละมิจฉาทิฏฐิความพยายามในการให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามนั้นเป็นมีสติในการละมิจฉาทิฏฐิมีสติในการเข้าถึงสัมเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความมีสตินั้นคือเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบทั้งเจ็ดประการนี้ คือในมรรคทั้งแปดเนี่ยในมรรคทั้งแปดเนี่ยนอกจากสมาธิจะเป็นฐานแรกเป็นตัวที่หนึ่งที่เหลือนั้นจะมีมรรคอยู่สามตัวที่คอยทำหน้าที่ในชั้นของสาสวะของปุตตุชนเราเนี่ยนะมีมรรคสามตัวที่จะคอยทำหน้าที่ให้มรรคแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัว ต, ตัวเราเป็นสัมมาสัมมาสัมมาคือสัมมาอะไร สัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติความรู้ที่ว่านี่คือมิจฉาสังกปะนี่คือสัมมาสังกปะความรู้นั้นเป็นอะไรความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้อ่เป็นสัมมาทิฏฐินะใช่ไหมความพยายามในการละ สัมมาสังกัปปะความพยายามในการที่จะให้เข้าถึงสัมมาสังกัปปะความพยายามนั้นเป็นอะไร ม, ม, ะะมีสติในการละมิจฉาสังกัปปะมีสติในการให้เข้าถึงสัมมาสังกัปปะความมีสตินั้นคืออะไรมรรคทุกตัวจะมีมรรคสามตัวนี้เป็นกำลังในการทำการให้เข้าถึงมรรคแต่ละข้อ สัมมาสมาธิเกิดเป็นตัวต้นใช่ไหมมีองค์ประกอบเจ็ดประการในเจ็ดประการนั้นสัมมาทิฏฐิจะเป็นพี่ใหญ่และก็จะมีดาวคู่ที่เป็นบริวารคือสัมมาวิมมะ ก, กับสัมมาสติจะทํางานด้วยกันทําให้มรรคแต่ละข้อที่เหลือนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมานี่ในชั้นของสาสวะคือในของปุถุชนเพราะฉะนั้น ในสัมมาสังกปะในมิจฉาสังกปปะก่อนมิจฉาสังกปะคืออะไรความตริในเรื่องของกามความตริในเรื่องของตามอำนาจของพยาบาทความตริไปในการอันความเบียดเบียนคือความคิดในเรื่องของกามหมกมุ่นอยู่ในอำนาจของกาลความคิดอยู่ด้วยอำนาจของกํากลังแห่งพยาบาทความคิดในส่วนของการเบียดเบียน ความคิดสี่อย่างนี้เป็นความคิดที่ชนิดที่เรียกว่ามิจฉาสังกับปะเมื่อเขาเกิดขึ้นปั๊บจิตผู้รู้จิตผู้รู้ต้องไม่ลืมว่าสภาวะของจิตผู้รู้ที่ราฝึกฝนกันอยู่จะต้องมาทํางานอย่างนี้ในชีวิตประจําวันจิตผู้รู้เห็นเลยเห็นความคิดเลยเห็นความคิดในการหมกมุ่ น, นเรื่องของการม เห็นความคิดในเรื่องของพยาบาทเห็นความคิดในเรื่องไปตามอำนาจของพยาบาทนะเห็นความคิดในการที่จะเบียดเบียนเห็นความคิดนี้ปั๊บจิตผู้รู้รู้ว่านี่เป็นมิจฉาสังกับป่าแล้วจิตผู้รู้เห็นถึงความไม่เบียดเบียนออกจากความเบียดเบียนใช่ไหมออกจากกามออกจากพยาบาทแล้วก็เว้นขาดจากการเบียดเบียน เป็นมิจฉาเป็นสั ม, มาสังกปะรู้ว่านี่เป็นมิจฉาสังกปะรู้ว่านี่เป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เราไม่ใช่คิดเอานะเราต้องใช้อะไรจิตผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตผู้รู้ที่เขารู้ลมชนิดที่เป็นโผฏฐะนั้นเขาจะทรงอยู่กับความเป็นกลางอืม ยากไหม ย, ยากอยู่เหรอยากไหมทนไหมฮะฮะ ก็ต้องจับมาเข้าคอสเดินมักอีสักคอสไหมเอาไว้เป็นความรู้ไว้ก่อนเราจะต้องนึกถึงสภาวะที่ชื่อว่าจิตผู้รู้ของเรานะที่เราฝึกฝนอบรมมาให้ได้ก่อนเอาต่อไปรู้จักมิจฉาวาจาไหมคืออะไร มิจฉาวาจาคือการพูดผิดพูดนอกเรื่องจากความถูกต้องอะไรมั่งอะ่ะมิจฉาวาจาพูดหนึ่งผู้รู้สึกว่าคนตื่นแล้วคนพยายามที่จะปกป้องปกป้องมุสาวาทกันไว้ไปพูดเพ er ้อเจ้อพูดคำหยาพูดตรอเทียดทำไมไม่บอกว่าพูดปดก่อน จะไปปกป้องมันทำไมมิจฉาวาจาจะมีสี่อย่างคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเทออจอคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติชั้นนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไ ม, หไม่มีใช่ไหม นักธุรกิจอายุเจ็ดสิบกว่ามีไหมจ๊ะแค่ถามว่ามีไหมคำตอบยังยังเป็นมิจฉาวาจาเลยนะ <laughs> อะหนึ่งมุสาวาตคือพูดเท็จพูดเท็จเขามีลักษณะยังไง พูดเท็จเนี่ยเขามาจากพุทธเท็จมาจากเจตนาที่จะบิดเบือนใช่ไหมเออให้ผู้อื่นเข้าใจไปตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแดงนี่เขาเข้าใจว่าเป็น ต, ตรงแดงตรงกับข้ามกับอะไรแดงตรงกับข้ามกับอะไรอ้าวไม่เอาสิขาวกับดำมันตรงกันเลยแล้วมันอย่างนั้นจะมีข้อพิพาทได้ยังไงแดงตรงกันข้ามกับอะไร อะไรก็ได้ทุกสีเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แดงสแสดงว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นสีขาวถูกสิไม่ถูกมุสาวาสหมายความว่าอะไรก็ได้ที่ที่มันเป็นแดงแล้วมีเจตนาที่จะบิดเบือนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าไม่ใช่แดงต้องทุกสีเลยดีเว้ย ของเกิดในตอนเช้าแต่จะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าแต็ตอนเย็นด้วยไหมเพียงด้วยไหมใช่นั่นนะคือมุสาวาสเกิดขึ้นได้ง่ายไหมง่ายมากทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและที่ทำงานและในภาคของสังคม เราอาจจะมีเหตุผลมาปลอบใจใตัว เ, เองว่าไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปยุ่งต่อเรื่องนั้นๆๆๆเลยโกหกไปอย่างนั้นอาจจะเชื่อคนนั้นแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแต่แน่ๆที่สุดเรื่องนั้นไม่จริงมีเจตนาที่เป็นความไม่จริงมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันอ้าว ม, มิชาวาจาประเภทที่สองคือประเภทส่อเสียด ใครวันรู้จักไหมคำซอเสียดซอเสียดเยี่ยงยงหร อ, อ, อกระแทกเดกดันไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจซอเสียดว่ากระแทกเดกดันพอใครใครสวยกว่าเราเข้าใจว่าเขาสวยกว่าเดินผ่านเราโชว์เชียวน้ํามึงนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือกระแทกแดกดันไม่ใช่สอเสียดนะจัดอยู่ในประเภทคำหยาบจับอยู่ในประเภทคำหยาบเป็นคำด า, อ ย, าอย่างนั้นเรียกว่ากระแทกแดกดันซอเสียดคือยุยงให้คนเขาแตกกัน ตัวนี้อันตรายมากเพราะตัดรากของความดีเลยตัดรากของความสุขเลยก็คนเขาผัวเมียเขาดีกันมาตั้งยี่สิบสามสิบปีมึงมายุแย่กันแป๊บเดียวไอ้าตีกันหัวร่างข้างแตกทำลายความสามคัคคีอันตรายมากนี่เป็นมิจฉาว่าจาอันต่อไปคือฮะ คำหยาบคือคำนั่นแหละรวมทั้งกระแทกแดกดันด้วยกระแทกแดกดันคือมีเจตนาที่จะกระทบกระเทียบเปรียบเทียบกระแทกแดกดันใช้คำหยาบใช้คําเปรียบเทียบที่เป็นโลกสมมุติตามสังคมนิยมเช่นใช้สัตว์บางประเภทใช้อวัยวะบางประเภทใช้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นคํคาคําด่าทุกทั้งหมดเลย เรียกว่าคำหยาบเรียกว่าพารุสวาดเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาอีกประเภทหนึ่งคือเฟ เ, เจอ์คือคำไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีบนไม่มีร่างไม่มีสาระใดๆเรียกว่าเหลวไหลพูดไปเรื่อย แต่บางีอคนที่ไปว่าเขาว่ามึงก็พูดไปเรื่อยตัวเองน่นแหละพูดไปเรื่อย <laughs> ไอ้คนนั้นมันพูดมีสาระแต่ตัวเองไปอิจฉาคนที่พูดมีสาระกขาบอกพูดไปเรื่อย <laughs> ไอ้คนนี้บอกว่าเขาว่าพูดไปเรื่อยแต่แท้ที่จริงตัวเองก็พูดไปเรื่อย <laughs> ไปอิจฉาคนที่ก็พูดมีสาระ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นในตัวมิจฉาวาจาตัวนี้คือถ้าถ้าตราบใดมันมีมิจฉาสังกปะ ความดำริที่ผิดๆมันจะทำให้เกิดมิจฉาวาจาถ้าตราบใดที่มันมีสัมมาสังกัปปะมันจะให้เกิดสัมมาวาจาเพราะอะไรเพราะคนที่มีสัมมาสังกัปปะจะสารวมวาจาจะไม่ซีสัวแล้วจะไม่ซีโซ่แล้วลว จะไม่ซีสัวพูดนะยิ่งฝึกฝนอบรมยิ่งปฏิบัติจะยิ่งสงบสำรวมแล้วกิมมิฮิริโอตะปะคือกลัวมากกลัวมากฉั้นคนปฏิบัติมีจิตผู้รู้แล้วอะไรที่ไม่ควรพูดอย่าที่พูดไปนะเพราะว่าจะมานั่งแก้ตัวทีหลังว่าโอ้ยตอนนั้นพูดเล่น ไม่ได้เพราะคำว่าพูดเล่นๆนมันเป็นเรื่องสแสดงว่ามันเป็นมิจฉาวาจาถาว่ามิจฉาวาจาแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้เดินมรรคเลยในชีวิตประจาวันเพรา ะ, ะนั้นการบรรยายในช่วงเช้านี้เพื่อที่จะให้พวกเรามีความรู้แล้วนำจิตผู้รู้ไปเดินมรรคในชีวิตประจำวัน อะไรที่เราเคยคุยกับสามีแล้วทะเลาะกันน่ะงดคําอันนํามาซึ่งความทะเลาะเป็นมิจฉาวาจาตอนนี้ไปต้องไม่คุยอะไรที่เราคุยกับแม่แล้วมันทะเลาะกันขัดใจกันคุยกับพ่อแล้วมันทะเลาะกันขัดใจกันอันนั้นนํามาเป็นมิจฉาวาจาต่อไปต้องหยดดุดเดินมาใช้จิตผู้รู้ดูพอดูว่ามันจะพูดใช่ไหมเอาเข้าจิตผู้รู้ก่อนแล้วไปตรวจสอบดู มักของตัวเองดูซิพอมันจะพูดหยุดอ้อนี่มิจฉาวาจามันต้องอันนี้เป็นสัมมาวาจาเห็นอย่างนี้ปั๊บสัมมาทิฏฐิเกิดถูกป่ะแล้วก็พยายามในการที่จะละมิจฉาวาจานั้นแล้วก็ให้เข้าถึงสัมมาวาจาเสียอันนี้เป็นสัมมาวายามะถูกป่ะแล้วมีสติอย่างเด็ดขาดในการละมิจฉาวาจานั้นมีสติอย่างเด็ดขาดในการให้เข้าถึงสัมมาวาจาตัวนั้นเป็น สัมมาสติสัมมาทิทฐิสัมมาเกยรติยะเสสัมมาสติสามตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้มรรคแต่ละองค์แต่ละข้อนั้นเกิดใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยอาศัยฐานจากจิตผู้รู้ยากวะยากเหรอยากเพราะสันดานมันหนาเกินเลย แต่มันต้องขัดเกลอนนะเราเป็นคนปฏิบัติธรรมจะต้องต้องทำความเข้าใจให้ได้เพื่อให้มันเดินต่อได้ถูกเข้าใจปะ่ะเราคนปฏิบัติได้ชื่อว่าเลือกข้างพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินให้ได้อะไรที่มันเกิดในชีวิตประจำวันท่ำๆซักซาก พอเราฟังมักในวันนี้แล้วเรารู้เลยโอ้ยนั่นมันสัมมาวาจาโอ้ยนั่นมันเป็นรัมมาทิฏฐิไอ้มิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาสังกปะไอ้นั่นมันเป็นมิจฉาวาจานีิว่าได้ได้ไ ด, ได้ต่อไปเข้าวจิตผู้รู้จะดูให้เห็นแล้ะจะละมันเข้าไปถึงตัวสัมมาให้ได้ในเรื่องนี้ต้องจัดการกันสักทีหนึ่งได้เวลาแล้วถูกปะ่ะอืมนี่ต้องหลบจาด้วยนะเนี่ย ผมไม่ได้ให้ค่าข้อท้าปนันเซอร์นี่ผมอะไ ร, รทำความเข้าใจมีอะไรจดได้จดเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติให้มันถูกอ้าวต่อไปมักข้อต่อไปคืออะไรสามไอเออสามมากรรมมันตะเมื่อกี้เรื่องวาจาได้ไหม เมื่อกี้เรื่องของความเห็นเรื่องของความคิดต่อไปเรื่องของพฤติกรรมไอเมื่อกี้เรื่องของการพูดสื่อสารใช่ไหมนี่ต่อไปเรื่องของพฤติกรรมการกระทาของเราในทางกายที่ไม่เกี่ยวกับวาจาจัดเป็นหมวดสามประการด้วยกันหมวดหลักๆคือ เฉพาะกรรมมันตะเนี่ยที่เป็นทุจริตที่เป็นทุจริตประเภทมิจฉากรรมมันตะนั่นคือปานาคือฆ่าฆ่าบางทีเราบอกมันต้องโกรธใช่ไหมไม่จาเป็นเออไม่จาเป็นรักมากแต่ฆ่า มีไหมมีใช่ไหมชอบมากเลยสนุกเพลิดเพลินมากแต่ค่ามีไหมมีไหมเคยตกปลาป่ะเคยเกลียดปลาตัวที่เราตกป่ะชอบการตกปลาใช่ไหมแต่วทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นกีฬา<ม> <c oughs> นั่นแหละพื้นฐาน ที่ทําให้เกิดการฆ่าทั้งหมดเลยเป็นทุจริตข้อที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือลักทัพย์ลักทรัพย์ทุกอวหารเลยนะมีอะไรม้างอ่ะประเภทที่ก็ใช้กันทุกกิริยาทั่วโลกนี้ที่เป็นอวหารของคําว่าลักทัพย์ทุจริตคอร์รัปชันโกงภาษาอังกฤษเรียกว่าคอร์รัปชันโกงยักยอกลักทัพย์ปล้น จี้ชิงวิ่งราวเบียดเบียนลักซอกอะไรต่างๆเนี่ยลักทัพท์ลักทัพท์รู้จักไหมไม่ใช่ลักทรัพย์นะลักทัพท์อันนี้เป็นของเขาอันนี้เป็นของเราแล้วเราก็ลักทัพท์เอาของเขามาของเราเขาเรียกว่าลักทัพท์ใช่ไหมลักทัพท์ลักซ่อน ลักซ่อนรู้จักไหมนี่ของเขาใช่ไหม <Okay. S 1> ก็นั่งกันอยู่ด้วยกันพื้นที่ปเปิดๆนั่งๆกันเห็น ๆ, ๆแล้วทำเนียนๆไอ้นนทนก็หาไป <c oughs> หาอะไรเหรอ <c oughs> นั่นคือลักซ่อนเออทุกอวหารทั้งหมดเลยอยู่ในประเภทที่สองคือโกง ประเภทที่สามประพฤกผิดในกามประพฤกผิดในกามนี่ในชั้นมักในชั้นสาสาวะนะประพฤกผิดในกามคืออะไรโกโดมีภรรยากี่คนฮะคนเดียวอืม ประพฤติผิดในกามคืออะไรคือไม่ประพฤติผิดในลูกภรรยาสามีถวนมากในในเวลาเราพูดกันนะไม่ประพฤติผิดในลูกเมียของผู้อื่นไอ้สมัยก่อนแต่สมัยนี้มันต้องไม่ประพฤติผิดในลูกเมียสามี ใช่ไหมต้องไม่ประพฤติผิดในลูกเมียสามีก็ออถ้าเราเป็นหญิงเราก็ต้องไม่ประพฤติผิดในลูกและในสามีเขานะถ้าเราเป็นชายเราต้องไม่ประพฤติผิดในลูกในภรรยาเขาข้าบอกว่าลูกด้วยแสดงว่าถ้าบอกว่าเป็นสาวโสดแล้วมีคนมาละเมิดของแม่เราสรุขเขาผิดไหมไม่เกี่ยวในลูกคือหมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของบิดามารดาในลูกถ้าเราเป็นหญิงในลูกชายเขาลูกชายที่มีการคุ้มครองในบิดามารดาถ้าเป็นผู้ชายก็ในลูกสาวที่อยู่ในการคุ้มครองของบิดามารดาซึ่งในการนี้เนี่ยมันรวมไปถึงผู้ซึ่งมีปกครองดูแลอย่างเป็นหลักฐานด้วย เป็นคนรักของรักของผู้นั้นแล้วเราไปลาเบิดไม่ได้ถ้ารู้อยู่แล้วไปละเบิดในคนรักของผู้อื่นไม่ได้รวมถึงอะไรไม่นอกใจไม่ข้อที่สามนี่นะทุกอวาหารทุกอวาการอะไร เ, เขาเรียก ร้อยเล่พันอะไรเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะไม่งั้นเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เราระวังไม่ได้เพราะบางเรื่องเนี่ยมันเล็กเล็กน้อยน้อยมันเกิดแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านแต่เราไม่รู้มันกลายเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเดินไม่เส้นทางของมิจฉามักมิจฉามักค่ะคือในทางผิด พราะพอมันเกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะตกตะกอนในใจของเราแล้วก็ยิ่งทําให้เราพื้นที่ของเราถูกตัวมิจฉามิจฉามากเนี่ยยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดแต่ที่ที่ต้องมาพูดวันนี้เพราะว่าเรามีฐานจากจิตผู้รู้โดยเฉพาะผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่รู้ลมชนิดที่เป็นโผทับผ้าลมสังเกตไม่เล่า ว่ถ้ารู้อย่างอื่นเนี่ยมันทําไม่ได้เลยมันแค่คิดนะแต่รู้ชนิดที่เป็นโผถพารมเป็นรู้ที่มีอุเบกขามาเป็นฐานเมื่อคราใดที่เรารู้ลมที่เป็นโผถพารมแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตผู้รู้เขาเข้าไปแค่รู้แค่รับรู้มีอาการเข้าไปแค่รับรู้ลมชนิดที่เป็นโผถพารมตัวผู้รู้ไม่ได้ไป ปักอยู่ที่นิมิตไม่ได้ไปปักอยู่ที่ลมไม่ได้ไปปักอยู่ที่กายปราสาทไม่ได้ไปปักอยู่ที่ไหนเลยแค่รู้ลมที่มันเป็นชนิดผัวถับพารมณ์ที่มันครูดออกไปโดยที่จิตผู้รู้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราอยู่ตรงนั้นเราเป็นโผัวถับพารล์ลมเป็นเราเราเป็นลมไม่เขาทําหน้าที่เพียงแค่รู้แม้มีตัวกําหนดเข้าไปแต่ตัวเขาเองไม่ได้ใส่ใจในความกําหนดเขาทําหน้าที่เพียงแค่รู้ นั่นคือจิตผู้รู้ที่เป็นกลางต้องเป็นกลางเท่านั้นนะต้องเป็นกลางเท่านั้นและไม่ใช่เป็นกลางมโนเอาเองว่าเป็นกลางฉันน่ะเป็นกลางตั ว, ต, วตัวฉันนี่แบบดังเลยนะฉันเนี่ยเป็นกลางมาตลอดไม่เคยอกติกับพวกเธอเลยนะ เคยได้ยินไหมแต่คำว่าฉันเนี่ยอืมดังหนักแน่นมากแต่ตัวจิตผู้รู้สภาวะของผู้รู้ที่เขารู้ลมชนิดที่เป็นโผฏฐารมท่านสังเกตลองสังเกตสภาวะรู้เพราะฉะนั้นสภาวะรู้จึงเป็นเรื่องยาวที่สาคัญมากในการที่จะเดินมรรคในระหว่างวันถ้าเราเดินมรรคในระหว่างวันได้ การภาวนาอาณาปานสติจะยิ่งง่ายขึ้นจะยิ่งง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวสภาวารู้เขาทำหน้าที่ที่เป็นกลางและเขามีกำลังของสมัมมาทิฏฐิมีกำลังของสัมมาวายมะและมีกำลังของสัมมาสติเข้ามา ม, มืมีบทบาทอยู่ด้วยเสมอ จิตผรู้ที่รู้วันนี้เป็นมิจฉากรรมมันตะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้อะไรนะมิจฉากรรมมนตะมีกี่ข้อหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่ ง, งลักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกรรมหนึ่งนี่เป็นมิจฉาสังกปะเฮ้ยมิจฉากรรมันตะเอาต่อ รู้ว่านี่เป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ว่านี่เป็นสัมมาสัมมากัมมันตะจิตผู้รู้ที่รู้ว่านี่เป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ว่านี่เป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นั้นเป็นมิจฉามิจฉากัมมันตัง มิจฉากรรมมิจฉากรมมันมิจฉากรรมมันตังมิจฉากรมมิจฉากรมมันตันติปัจานาติที่รู้ชัดว่ามิจฉากรมมันตะว่าเป็นมิจฉากรรมมันตะรู้ชัดว่าสัมมากรมมันตะว่าเป็นสัมมากรมมันตะความรู้นั้นเป็น สัมมาทิฏฐิความพยายามในการที่จะละมิจฉากรรมมันตะความพยายามในการให้เข้าถึงสัมมากมันตะต้องพยายามนี่ต้องสองฝั่งนะต้องสองฝากเสมอนะความพยายามในการละสัมมากไอละมิจฉากรรมันตะกับความพยายามในการให้เข้าถึงสัมมากมันตะความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายมะเม ง่ายขึ้นไหมทีเนี้ยอา้าวมีสติในการละมิจฉากรรมมันตะมีสติในการให้เข้าถึงสัมมากรรมมันตะมีสตินั่นเป็นในที่นี้นน เ, นนนเราจึงต้องเดินมรรคในชีวิตประจำวันนะ ไม่ใชนั้นสันดานเรามันก็ไม่เปลี่ยนน่ะมันได้เวลาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกายวาจาใจถูกไหมเออไม่ใชนั้นพอนั่งสมาธิแล้วนั่งปั๊บหูวหนึ่งชั่วโมงสอ ง, องชั่วโมงสามชั่วโมงพอออกจากสมาธิสันดานเหมือนเดิมเป๊ะเนี่ยมัน มันต้องไ ม, ม่มันถึงเวลาแล้วคือท่านตอนที่เรายังไม่ได้มีสภาวะจิตผู้รู้เรายังทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองเอาแต่บุญกันไปก่อนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เพราะเราเข้าถึงเรื่องนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำการแสดองออกการสื่อสาร การคิดและการตัดสินใจต้องปรับต้องปรับและปรับในชั้นลึกไม่ใช่ปรับชั้นนอกปรับชั้นลึกคือปรับชั้นในปรับชั้นลึกปรับชั้นในปรับยังไงปรับโดยการจิตผู้รู้ที่เห็นจิตผู้รู้เห็นสัมมิชฉาสังกปะจิตผู้รู้เห็นสัมมาสังกปะนั้นปรับด้วยให้จิตผู้รู้นั้นเป็นสัมมาทิฐิถูกไหม จิตผิดรู้มีความพยายามในการละมิจฉาสังกปะพยายามให้เข้าถึงสัมมาสังกปะอันนั้นเป็นมีสติในการละสัมมาสังกปะมีสติในการให้เข้าถึงสัมมาสังกปะอันนั้นเป็นนั่นแหละมีความรู้เห็นสัมมาวามิจฉาวาจาเห็น สัมมาวาจาเห็นมิจฉาวาจาเห็นสัมมาวาจาความรู้นั้นเป็นสัมสัมมาทิฏฐิมีความพยายามในการละมิจฉาวาจาให้เข้าถึงสัมมาวาจาความพยายามนั้นเป็น ม, ม, มีสติในการละสัมมิจฉาวาจามีสติในการให้เข้าถึงสัมมาวาจา ส, ส, สตินั้นเป็น อืมเก่งเนาะตอนแรกนึกว่าจะพูดก็ไม่รู้เรื่องนะเมีความรู้เห็นมิจฉากรมมันตะเห็นสัมมากมมันตะความรู้นั้นเป็นมีความพยายามในการละมิจฉากรมมันตะ และมีความพยายามให้เข้าถึงสัมมากัมมันตะความพยายามนั่นเป็นมีสติในการละมิจฉากรรมมันตะมีสติในการให้เข้าถึงสัมมากัมมันตะมีสติตัวนั้นเป็นยายาเก่งวะ<ๆ>มีความรู้ อ, อยังไม่ยังไม่พูดใช่ไหมข้อต่อไปใช่ไมเอออ้ออาวนี่เดินมักไปแล้ว<ๆ>เห็นไหมว่ามันเป็น เป็นเรื่องชีวิตของเราเลยเพราะอะไรเพราะว่ามรรคแปดอะองค์ประกอบของมรรคทั้งแปดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติการเคลื่อนไหวของชีวิตมันไม่ใช่ว่าใครมาบัญญัตินะมันไม่ใช่ว่าใครมันพระพุทธเจ้าแค่ไปเจอเท่านั้นเองว่าแท้จริงชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ในระหว่างวันที่มันไม่หลับอ่ะมันเคลื่อนไหวแบบนี้ เคลื่อนไหวทางความเห็นเคลื่อนไหวทางความคิดเคลื่อนไหวทางการกระทําเคลื่อนไหวทางการพูดเคลื่อนไหวทางการอาชีพเคลื่อนไหวทางความมีความพยายามแล้วก็มีความระลึกรู้แล้วมีความตั้งตั้งใจนี่มันเคลื่อนไหวอยู่แปดอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งแปดอย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้นี่เราจะต้องให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ย ปรับขึ้นมาเป็นมครคให้ได้เป็นมครคให้ได้มิเช่นนั้นเราก็จะไม่ได้รับการขัดเกลวแต่แน่นอนที่สุดมันจะเข้าสู่ความเป็นมครคได้มันจะต้องอาศัยฐานจากอะไรจากสมาสมาสมาธิสมาสมาธิจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่มันต่อเนื่องของจิตผู้รู้ที่มีความเป็นกลาง ฐานเนี้ยมันจึงมีเหตุว่าคนในโลกนี้พูดมักแปดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเอาเฉพาะคําพูดที่เขาพูดในเรื่องมักแปดรวมทั้งที่สวดเช้ากลางวันเย็นกันอยู่เนี่ยวัดตอร์ไซเนี่ยถ้ามีน้ำหนักเนี่ยเป็นไม่รู้เท่กี่ล้านตันวันๆแต่ทําไมเราเข้าไม่ถึงทําไมเราเข้าไม่ถึงบีรู้ไหมเหตุที่เข้าไม่ถึงเพราะแบบนี้ไง เพราะว่ามันไม่ได้ฐานของสัมมาสมาธิและไม่มีจิตผู้รู้ที่เป็นกลางอ่ะต่อไปนี่ทำไปทำมาพวกเราจะกลายเป็นกลุ่มกลุ่มแรกๆกของโลกไปแล้วนะ เพราะเรื่องนี้มันแค่คิดไม่ได้ครใช่ไหมยอย่างเงี้ยคิดได้ไหมไม่ได้คิดอย่างเดียวไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็จะได้อยู่ที่คิดอ่านอ่านคิดตามอ๋อเข้าใจแล้วปิดวางแล้วก็ไปร้านสปาต่ออ่านคิดอ๋อเข้าใจแล้วปิดวางประโยคะอ่านคิดปิดวางอ ไปสั่งสันกับเพื่อนอ่านคิดปิดว่างไปอะไรนะซีรีเพราะฉะนั้นแต่ของเราอย่างนี้ที่ไล่กันมาเนี่ยไม่ใช่เห็นความแตกต่างไว้ไม่ว่ามันไม่ใช่มันต้องอาศัยอะไรสมาสมาธิ ที่เกิดจากการตั้งมั่นของจิตผู้รู้ที่เป็นกลางซึ่งสภาวะของจิตผู้รู้ที่เป็นกลางนั้นใครทำให้ใหฮะเอาถวายเงินให้พระอาจารย์สักล้านหนึ่งจะได้ไหม ไ, <laughs> ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ฮะ อาจารย์ได้อะอาจารย์ได้อะลูกสิษย์ก็ไปตามเวนตามกรรมไปอ้าวต่อไปมิชชาอาชีวะคืออะไรทุกคนมีอาชีพหมดเลยนะและกล้ายืนยันได้ว่าแต่ละคนที่มาที่นี่ล้วนแต่ประกอบอาชีพสุจริต อาชีพสุจริตคืออาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ในอาชีพที่เราทาอยู่นั้นมีพยายามที่จะให้มันทุจริตมีอยู่มีอยู่ใช่ไหมอันในคำนี้พระพุทธเจ้าท่านอาธิบายไว้เลยว่าอะไรคือสัมมิชฌาอาชีวะคือการมีอาชีวะ มีอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์อันหมายถึงเช่นอะไรมั่งอ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ฉาต้องดูดูตัวมิจฉาอาชีวก่อนนะอือคือเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดอ่ะเช่นค้าอาวุธค้ามนุษย์เยอะอือ แต่กำลังจะพูดกับพวกเราว่าเรามีอาชีพที่สุดจริตเราก็ทำอาชีพของเรานั้นให้มันสุดจริตด้วยอย่าไปทำอาชีพของตนให้มันเป็นทุดจริตนะเป็นครูเป็นอาจารย์เวลาสอนเด็กในเวลาพยายามสอนให้เด็กโง่ไว้แล้วก็ไปเปิดสอนพิเศษ ไปเปิดสอนพิเศษเพราะตัวเองเป็นคนกุมเกรดของวิชานั้นไว้เด็กก็ต้องมาสมัครเรียนพิเศษถ้ามีเจตนาและทำแบบนี้อาชีพนั้นเป็นอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นพระได้ไหม พระนี่มิจฉาชีวะง่ายมากง่ายมากไม่ต้องพูดนะ <laughs> พระนี่มิจฉาชีวะง่ายมากถึงโตผิดผิดปิดเดียวเข้าร่องเดียร์ถีหมดเลยพระพระนี่อันตรายมากเข้าจากมิจฉาชีวะนี่มันนิดเดียวทุกอย่างสามารถเป็นมิจฉาชีวะได้หมด สวดมนต์ก็เป็นได้เทศนี่ก็เป็นได้อะไรต่างๆฉันก็เป็นได้บินธบาตก็เป็นได้ทุกอย่างเกาะอยู่กับมิจฉาอาชีวะได้หมดเลยปิกนิดเดียวอันตรายมากพระเนี่ยถ้าไม่จะหนักไม่สำคัญเรื่องเหล่านี้เลยก็เสร็จงไม่ต้องพูดตึงพระเนาะอาชีพอื่นๆการหลบเลี่ยงภาษี อันนี้มันเป็นความจริงที่เจ็บปวดกับหลายๆคนเพราะมันเป็นธรรมเนียมนะบ้านเราพวกการค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามักจะจ้างนักบัญชีใช่ไหมนักบัญชีมาเพื่อมาประเมินภาษีของเราแล้วนักบัญชีส่วนมากก็จะไปสนิทกับพวกกรมจุนประกอบเออเ อ, อ, อย่ามาสาวไส้กันเลยเนาะฮ<ก>ะ คือถ้าเราทำให้มันถูกได้แล้วเราอยู่ได้นะทำให้มันถูกเสียก็ก็ดูอย่างเขาบอกหวย ใ, ใบหนึ่งเท่าไหร่แปดสิบแล้วที่ไปขายหน้าบ้านนั้นได้ใบเท่าไหรไไเ่เออไอ้ทำไมมันไม่แปดสิบทัที Hmm? เพราะมันปรับไม่เป็นสัมมาอาชีวะไม่ได้ถูกป่าวเมื่อเมื่อมิจฉาอาชีวะมันเกิดตั้งแต่ต้นน้ําอ่ะพอมากลางน้ําปลายน้ํามันจะเป็นสัมมาอาชีวะได้ไหมไม่ได้หรอกแค่นี้ไม่ได้ว่าใครให้ต้นน้ําตังน้ำเนี่ยเป็นคำพูดของคนนั้นก็พูดกันแต่หมายความว่าเราพยายามปรับอาชีพของเราเนี่ยให้มัน สุดจริตให้เป็นสัมมาอาชีวะมันพอเราเห็นปั๊บไอตัวนี้เป็นมิจฉาอาชีวะนิวาในระดับของอาสวะนะอย่าเพิ่งแต่ต้องเลยเดี๋ยวเรื่องใหญ่พักไว้ก่อนแต่อะไรที่มันจัดการได้นะจัดการจัดการก่อนเลยถ้าเมื่อใดที่มันเห็นว่านี่เป็นมิจฉาอาชีวะ และเห็นว่านี่คือสัมมาอาชีวะความรู้นั้นน่ะเป็นอะไรสัมมาทิฏฐิมีความพยายามในการที่จะละมิจฉาอาชีวะและให้เข้าถึงสัมมาอาชีวะความพยายามนั้นเป็นอะไร ม, ม, มีสติในการละมิจฉาอาชีวะมีสติในการให้เข้าถึงสัมมาอาชีวะความมีสตินั้นเป็นอะไรธรรมาสติธรรมะสติ นึกถึงภาพของเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีมีนั้นสองคนใช่ไหมนึกนึกภาพออกไหม น, นึกภาพอบอกไหมมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีใครสองคนน่ะ <c oughs> เด็กน้อยทีเวลาเจ้าแม่กวนอิมไปไหนก็จะมีไอ้สองคนเนี้ยประกบเขาคือสัมมาสิทธิสัมมาสติสัมมาวายามะเนี <Renaissance> oh <my God. S 2> ่ย สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินึกภาพอบอกไหมเขาจะไม่ขาดกันเพราะฉะนั้นมักแต่ละข้อจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยอาศัยจะาไม่ควรอิ่มกับไอสองคนเนี้ยอ้าวต่อไปองค์ประกอบของสัมมาส ม, มาธิข้อต่อไปคืออะไรครบหรือยัง ครบแล้วทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามรรคมีทั้งที่เป็นสาสะวะและอนาสะวะอนาอ า, อ า, อ า, ส, าสาสะวะก็คือมรรคของคนที่เป็นปุถุชนคือมีอาสะวะอยู่อนาสะวะคือมรรคของ อริยเจ้าที่เป็นโลกุตระที่นี้ทีนี้ที่เป็นศาสวะคือมรรคของปุตุชนเนี่ยมันมีแปดใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเมื่อตะกี้เราได้คุยกันมาจนถึงสิบโมงครึ่งคือสัมมาสมาธิเป็นฐาน มีองค์ประกอบเจ็ดเข้าใจไหมในองค์ประกอบทั้งเจ็ดนี้มีสมาทิทฐิเป็นประธานมีบริวารหลักสองตัวคือสัมมาสติกับสัมมาวายามะที่จะทำหน้าที่ให้มรรคแต่และข้อนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้วก็ไล่กันมาตามลำดับในแปดข้อนี้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมอืม นี่เราไม่ได้พูดถึงสมาสมาธิแล้วนะเราพูดถึงมรรคทั้งแปดเนี่ยสังเิตเมื่อสมาธิตีเกิดเมื่อความเห็นมันเป็นสมาธิไปแล้วอะความคิดจะเป็นยังไงความคิดจะถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อความเห็นมันเป็นสมาธิไปแล้วอะความคิดมันจะเป็นสัมมาสังกัปะเมื่อความคิดมันถูกไปแล้วอะ เมื่อความเหน็นมันถูกไปแล้วความคิดมันก็ถูกไปแล้วเพราะฉะนั้นตัววจีสังขารมันก็จะทำให้เกิดสัมมาวาจาเมื่อความคิดมันถูกไปแล้วความคิดมันถูกไปแล้ววาจามันก็ถูกไปแล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมันเลยเป็นสัมมากรมมันตะเมื่อความคิดมันถูกไปแล้วอเมื่อความเห็นมันถูกไปแล้วความคิดมันถูกไปแล้วคาพูดมันถูกไปแล้วพฤติกรรมมันถูกไปแล้วเพราะฉะนั้น อาชีพมันเลยเป็นเมื่อความเห็นมันถูกไปแล้วความคิดมันถูกไปแล้วคำพูดมันถูกไปแล้วพฤติกรรมมันก็ถูกไปแล้วอาชีพมันก็ถูกไปแล้วความเพียรพยายามมันก็เลยเป็นสัมมาวายามะเมื่อทั้งหมดนั้นถูกไปแล้วความสำนึกระลึกรู้มันเลยเป็นสัมมาตาติเมื่อทั้งหมดนั้นถูกไปหมดแล้วความตั้งใจมันเลยเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมเออ ในส่วนของการปฏิบัติจริงในชีวิตประจํำวันของพวกเราให้ตระหนักไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยว่าเราจะต้องอาศัยจิตผู้รู้ที่รู้โผถับพารม์และดึงเขาออกมาให้อยู่กับความเป็นกลางแล้วก็ไปทํางานใช้อยู่ในชีวิตระหว่างวันและดูชำเรืองชำเรืองรู้ ในสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้สงเคราะห์ลงเข้าสู่มิจฉ า, าและสัมมาแต่ละข้อให้ได้เนาะแล้วก็ให้ทำองค์ประกอบทั้งสามคือทั้งเจ้าแม่กวนอิมและเด็กน้อยสองคน ให้ได้จงตระหนักไว้เลยนี่คือการเดินมั้งจะเอาแค่ว่าละอกุศลเจริญกุศลอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ลึกเข้าไปถึงขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราแค่ละอกุศลเจริญกุศลมันไปแค่การคิดพอถึงเวลอาอกุศลมาจริงๆมันทําจบหมดแล้วอา้าวลืมละ ทำจบหมดแล้วยังเข้าใจทำอกุศลแลอยังเข้าใจว่าเป็นเป็นกุศลอยู่เลยทำผิดชัดๆยังเข้าใจว่ามันทำถูกอ่ะถูกป่าเพราะว่ามันเป็นความคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้จิตผู้รู้เข้ามาเป็นฐานแล้วให้จิตผู้รู้นั้นแหละเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิโดยอาศัยความรู้ที่เกิดจากการที่จิตผู้รู้ไปดูไปรู้ไปเห็นทั้งสองฝ้าคือทั้งที่เป็นสัมมาทั้ทงที่เป็นมิจฉาและที่เป็นสัมมา ทำความรู้นั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนแล้วทำความพยายามทั้งสองฝ้าคือทั้งพยายามในการละและพยายามในการให้เข้าถึงนั้นให้เป็นสัมมาวายมะแล้วทำตัวสติในการที่จะเข้าไปละทำตัวสติในการที่จะให้เข้าถึงให้เป็นสัมมาสติเมื <ME> ่อ e. ทำสามอย่างนี้ได้นี่คือการเดินมรรคที่สมบูรณ์ชนิดที่เป็นาสาสวะนี่คือพูดกันถึงเรื่องปุถุชนคนเช่นเรา เช่นพวกเรานเนี่ยต้องต้องขนาดนี้แล้วอะ่ะมิฉะนั้นท่านจ ะ, จะเจริญภาวนาจะเจรินอนอาณาปานาศรีเข้าสู่จิตผู้รู้เพื่อหาพระแสงอะไรจะไปหาทำจิตผู้รู้เอาสมาธิเพื่อหาพระแสงอะไรไม่นอนอยู่บ้านตากแอร์เย็นๆเรียกร้อยแก่ตายไปดีกว่าถูกไหมใช่ไหมไพวัน เออถ้าเราจะไปปฏิบัติเข้าคอดการปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไปนั่นกินกันบุฟเฟ่เอากลับบ้านโทรศัพท์เปิดห้องไลยห้องเช็ดแล้วก็คุยมั่วเามามอยกันเสร็จแล้วก็เข้าไปถึงก็นอนหลับฝันดีกันถ้าต้องการแค่นี้ไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกปฏิบัติแล้วมันจะต้องรุกคืบเพื่อเข้าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนากายวาจา ใจนี่ไงนี่ไงตัวเราเองนี่แหละที่จะต้องเดินมักตามที่พูดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเดินเดินมักตามที่พูดมาหนึ่งเช้โบกนี้โดยอาศัยสมาิสมาธิด้วยการใช้จิตผู้รู้ที่ฝึกจิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจชนิดที่เป็นโผทพารณม นี่ถ้าพลาดโธธาพธภปารมม์มันจะเสียหายมากไงถ้าพลาดโธธาพธิปารมม์แล้วมันจะเสียหายมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ได้ความเป็นกลางไม่สามารถเกิดได้ด้วยการคิดเอาเองว่ากูเป็นกลางแต่ความเป็นกลางนั้นมันจะเกิดขึ้นด้วยสภาวะของจิตผู้รู้ ที่ไม่ได้ปักไม่ได้แนบอยู่กับอะไรเลยอยู่ในภายในเนี่ยมีอุเบกขาเป็นฐานและรู้รูปนามที่มีการเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงในอนาปานสติก็คือการรู้ลมชนิดที่เป็นโผทับพารมลมที่มากระทบทั้งลมออกและลมเข้านิ่งๆอยู่ที่เดียวรู้นิ่งๆอยู่อย่างนั้น แค่รู้สภาพที่เป็นแค่รู้นั่นแหละเป็นเป็นผู้รู้ที่มีอุเบกขาเป็นฐานและรู้ต่อเนื่องนั้นความรู้นั้นจะเป็นกลางความรู้ที่เป็นกลางตัวนี้และเราก็เอาชนิดจิตผู้รู้นี้ไปดูสภาวะที่เกิดในชีวิตของเราระหว่างวันถ้าตัวนี้เป็นถ้าอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐินี่เห็นไหมก็จิตผู้รู้ก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ตัวตัวนี้คือเป็นมิจฉาทิฐิ แล้วมันก็จะรู้ว่าสัมมาทิฐิเป็นยังไงถ้ารู้ว่าตัวนี้เป็นสมัมมามิจฉาทิฐิมันจะรู้ว่าตัวมิตัวสัมมาเป็นยังไงถ้าตัวรู้ที่เป็นกลางรู้จักว่าไอ้นี่คือมิจฉานั่นหมายความว่ามันรู้ถ้ามันรู้ว่ามิจฉาแสดงว่ามันรู้ว่าสัมมาเป็นยังไงเข้าใจไหมไอ้ความรู้ชนิดสองภากอย่างนี้ความรู้นี้เป็นสัมมาทิฐิกระบวนการนี้มักตัวอื่นๆยังไม่บริบูรณ์นะ มันจะตึงเกิดข้อที่สองต้องไอไอเด็กสองคนที่มาก็จะไม่ควนอิมอ่ะไอตัวนี้มันก็มันก็พอรู้จักเป็นมิจฉาใช่ไหมพยายามในการละพยายามในการละตัวที่เป็นมิจฉาและพยายามในการให้เข้าถึงตัวที่เป็นสัมมาเพราะเมื่อใดก็ตามที่รู้ตัวสัมมณิธิเกิดตัวนี้ตัวรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาแสดงว่ามันรู้ว่าอะไรเป็นสัมมา เพราะฉะนั้นเพื่อประตูสัมมาทิฏฐินี้เกิดตัวรู้ไอตัวเกิดตัวพยายามในการที่จะละไอตัวที่เป็นมิจฉาออกไปและพยายามเข้าถึงตัวที่เป็นสัมมาก็เป็นสัมมาวิยามะในขณะเดียวกันการมีสติในการที่จะละไอตัวที่เป็นมิจฉามีสติในการที่จะเข้าถึงตัวสัมมามันก็ จะเป็นตัวสัมมาสติสามตัวเนี้ยมันจะเกิดด้วยกันเราอาจจะมองไม่เห็นเขาทันทีแต่ตัวที่เกิดทันทีคือตัวสัมมาทิฏฐิมันจะต้องมีตัวความรู้ที่เกิดจากฐานของจิตผู้รู้ที่ดูออกไปสู่สภาวะที่มันปรากฏตามความเป็นจริงในระหว่างวันเห็นความเป็นสภาวะที่ปรากฏนั่นตัวสัมมาทิฐิตัวความรู้ที่เกิดจากจิตผู้รู้ที่เป็นกลางเนี่ยมองเห็นเลยว่านี่เป็นสัมมิจฉาทิฏฐิพอมันรู้จักวิชฉาทิฏฐิปับมันก็ตัวรู้จักตัวสัมมาใช่ไหม ความรู้สองภากนี้ตัวความรู้นั้นเป็นสมาธิฏฐิพอมันมีตัวความรู้แสดงว่าไอตัวความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นกลางเมื่อเป็นเป็นสมาธิฏิเป็นตัวเป็นกลางพระเจ้าเรียกตัวเป็นกลางนี้ว่าอะไรนะที่ตอบครั้งแรกอะ่ะตอบครั้งแรกอะมัททิมาปฏิปทา มันเลยจำเป็นที่จะต้องเช้านี้ต้องบอกว่าพูดเรื่องง่ายๆฟังง่ายๆแล้วพวกเรายินดีที่จะนำไปปฏิบัติไหมเราถ้าไม่ยินดีนำไปปฏิบัติเราจะเดินมากในชีวิตไม่ได้ถ้าเดินมากในชีวิตไม่ได้นะฐานของศีลสมาธิปัญญาเกิดยากมากเราพยายามที่จะทุกคนเนี่ยเราพยายามที่จะเดินมั่ง แต่ว่าเราไม่รู้รายละเอียดมันเหมือนอย่างที่เราฟังวันนี้ใช่ไหมเราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินไม่ได้แต่วันนี้ท่านชัดแด้อย่างถ้าใครไม่ชัดแนะนำให้ไปหาอ่านในมหาจัตตารีส ก, กัสูตรมหาจัตตารีส ก, กัดสูตร สกสัดสูตรสกัดสูรสกัดสูตรเพราะว่าในพระสูตรนี้จะ ก, กล่าวแน่ค่อนข้างจะกกล่าวเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากแต่ท่านต้องจำไว้นะถ้าท่านไม่มีสภาวะของจิตผู้รู้ไม่ฝึกสภาวะของจิตผู้รู้เหมือนอย่างที่เคยฝึกมาอ่านในตายก็ไม่เข้าใจและถ้าท่านอ่านตอนนี้ท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าท่านฟังวันนี้แล้วท่านไปอ่านและท่าน นำจิตเข้าไปสู่จิตผู้รู้แล้วค่อยอ่านเข้าไปท่านโอ๋อย่างงี้นี่เองก็เลยแนะนําให้ไปอ่านนะแนะนําให้ไปอ่านพิมพ์ในก o เกิลมหาจัตตารีแค่นั้นพอมันก็ขึ้นว่ามหาจัตตารีสักกสุดไว้สำหรับเดินมักในชีวิตประจํำวันถ้าไม่เดินเราจะปฏิบัติมานานแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่เดินมกัก การปรับเปลี่ยนทางกายวาจาใจของเราเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องคัมภีร์ที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องของเรานะและรู้เลยนี่คือพระพุทธเจ้าสัตว์เราปฏิบัติมีสภาวะมารองรับมีคัมภีร์ชั้นครูคือของพระพุทธเจ้ามารองรับอีกทีหนึ่งเรียกว่าเราเดินหน้า ลูกเดียวไปโลดถูกไหมไม่ต้องให้ใครมาเจะชี้นำไปตามทางได้โลดเลยต่อไปนี้จะถึงขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าให้มันแย่ลงไปกว่านี้เข้าใจไหมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโอเคอย่าให้แย่ลงไปมากกว่านี้ทำตัวความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิทำตัวความคิดให้เป็น สัมมาสังกัปปะทำตัวการพูดให้เป็นสัมมาวาจาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นสัมมากรรมมันตะปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะปรับเปลี่ยนความพยายามของตนเองให้เป็นสัมมาวายมะปรับเปลี่ยนความระลึกรือของตนให้เป็นสัมมาสติปรับเปลี่ยนความตั้งใจให้เป็น เพราะว่ามันมีความตั้งใจที่ไม่เป็นสมาสมาธิมีอยู่เช่นนพรานใช้ความตั้งใจไหม <laughs> เออเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนมาถึงขั้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพูดใน้อยลงเราไม่ใช่พระเทศใช่ไหมไม่พระเทศพูดน้อยไม่ได้ พูดแต่มันน้อยลงไอ้สังเกตที่ปัญหานะ่ะปัญหาของเราเกิดจากอะไรฮ ะ, ฮะเกิดจากการพูดทั้งนั้นแหละมาถึงเห็นหน้ากันเจอหน้ากันเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มให้กันยิ้มให้แก่กันนะแล้วก็จากกันจบพอยิ้มให้แก่กันแล้วก็อ้าปากก็กูพููรูๆููกันสนุกสนานไปตามอะไรไปตามมิจฉาังกปะ มิจฉาสังบา ค, คือวัจจีสังขารเป็นตัวที่ปรุงแต่งให้เกิดการพูดบางทีเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเราเอาแต่ความสนุกของเราอะ่ะแล้วก็พูดออกไปพูดออกไปอีกฝังหนึ่งรับรับคําพูดออกไปแล้วก็ไปไงไปคิดตามจิตตสังขารไอ้นี่พูดไปตามวัจจีสังขารไอ้นนท์ก็คิดไปตามจิตตสังขารพอคิดไปตามจิตตสังขารมันก็กระโดดออกไปใช่ไหมกระโดดออกไปจากเจตนาของคนพูด ทำความเข้าใจไปตามเจตนาของคนควงังอันนี้พูดไปตามเจตนาของคนพูดแต่อีโนนทาความเข้าใจไปตามเจตนาของคนควงังมันก็เลยไปคนละเรื่องกันบางทีเราก็อาจจะเข้าใจอย่างไอ้ไพวันเนี่ยแกมาถึงที่วัดมาถึงก็วัดดีข้าของพ่อหนูมาขออยู่ปฏิบัติรักษาศีลวันพระนี้หนึ่งคืนเจ้าข้าเออ เอากุญแจให้ไปพอเอากุญแจให้ไปเสร็จเดินกลัไมาทีหลวงพ่อเจ้าคะเอาห้องก้างล่างเบอร์หนึ่งได้ไหมเจ้าคะดูดูดูนีความผิดที่ใครเกิดความผิดพลาดลยไรเราสงสัยผิดที่เราลืมถามมาเบอร์ไหนถ้าเราเอากับพูดงหลวงไพล์วันมาเดินคิดว่าอี๋ใหญ่นี่เรื่องมากจังเว้ยเอ้ฮ่ มาถึงก็จะมาขออยู่อาศัยคุณแล้วอย่างมาันต้องมาเลือกห้องนูน่นห้องนี้อีกให้ห้องนี้ก็ไม่เอาแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่คิดอย่างนั้นไปตามอะไรพยาบาลมิตกใช่ไหมเราเอามาแล้วเราก็คิดว่าโอ้เมื่อกี้เออเราลืมถามไปว่าแกจะอยู่ห้องไหนเพราะแกเคยมาอยู่แล้วอ๋อตัวุงจะอยู่ห้องเบอร์หึเหรอเอออ๋อคุณเจไปจบถูกปะแลวแลวตัวแกเองอะ่ะเขาให้เบอร์ไหนแล้วก็ไปแล้วก็จบ ถ้าต่างคนต่างสัมมาวจาใช่ไหมเออถ้าต่างคนต่างสัมมาวจามันก็จบเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นได้นี่ไม่ใช่ว่าไปวันนะเรายกตัวอย่างเราสองคนก็ปวดเนื้อก็ฟังทุกเรื่องแหละเหมือนยิ่งไม่ว่าจะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ที่ทำงานโรงงานอยู่กับลูกน้องอยู่กับหัวหน้าอยู่กับครอบครัวอยู่กับใครก็ตามที่มันจะต้องใช้วาจาเราพูดไปตามอำนาจของจิตตะสังขารแต่คนฟังมันฟังไปไอ้เราพูดไปตามอำนาขจของวจีสังขารใช่ไหมแต่คนฟังมันฟังไปตามอำนาจของจิตตะสังขารมันย่อมที่จะฟัง คลาดเคลื่อนแล้วเป็นประเด็นได้ง่ายมากได้ง่ายมากยกตัวอย่างอไม่ไม่ไม่ใช่นะยกตัวอย่างคดีแต่งโมเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวมันกลุ่มนี้อ๋อเดืแตกมาตรงนี้อ๋อเดี๋ยวแตกไปตรงโน้นแตกไปตรงนี้เดี๋ยวนี้พอถึงขึ้นพอขึ้นคดีแต่งโมคนปิดเปลี่ยน ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นวาจาจําเป็นที่จะต้องสํารวมทีนี้เวลาเราพูดในเรื่องของการสํารวมวาจามันจึงจําเป็นที่จะต้องเดินมรรคทั้งหมดเลยที่อธิบายให้ฟังมาตั้งแต่ต้นวันเราจะต้องเข้าสู่อะไรจิตผู้รู้เข้าสู่จิตผู้รู้เพื่อให้จิตผู้รู้เพื่อให้ตัวฐานของสัมมาสมาธิ ตัวสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตที่เป็นจิตผู้รู้นั้นได้ดูได้เห็นสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงทั้งส่วนที่เป็นมิจฉาและสัมมาเพื่อให้ความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเมื่อความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิปรากฏปั๊บสภาวะปรากฏนั้นจะเป็นจริงเสมอคือมิจฉาก็คือมิจฉาสัมมาก็คือสัมมาต่อไปตัวพยายามใช่ไหม พยายามในการที่จะไปละอะไรมิจฉาพยายามให้เข้าถึงสัมมาอันนั้นเป็นสัมมาวมามะและมีสติที่จะเข้าไปละในตัวที่เป็นมิจฉามีสติที่จะเข้าไปให้เข้าถึงตัวที่เป็นสัมมานี่เป็นสัมมาสติซึ่งอาศัยฐานจากสัมมาสมาธิโดยปรารบถึงสภาวะคือจิตผู้รู้จากลมที่เป็นโผทัพพาลม จิตผู้รู้ลมที่เกิดที่เกิดจากลมที่เป็นโผฏฐพารณมนั้นถ้าเราชัดเจนในสภาวะนี้แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าไอตัวจิตผู้รู้ออกจากโผฏฐพารณมได้เพราะเวลาเขาเข้าสู่โผฏฐพารลมก็ทำหน้าที่เพียงอะไ ร, รเพียงแค่รู้เห็นไหมฝึกจนเขามีสภาวะเป็นเพียงแค่รู้ลมชนิดที่เป็นโผฏฐพารณมอยู่เนืองเนือง เขาออกจากโพธิพารมณ์รเขาจึงสามารถที่จะเป็นจึงเป็นผู้รู้ที่เข้าไปสู่สภาวะต่างๆได้ในสถานะที่เป็นเพียงแค่รู้ถ้าเขาสามารถแค่รู้นั้นหมายความว่าอะไรสิ่งที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงถ้ามันเป็นมิจฉาก็คือถ้าเป็นสัมมาก็คือถ้าเขารู้ตัวที่เป็นมิจฉาแสดงว่าเขาต้องรู้ตัวที่เป็นเออ มันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปสามสิบนาทีอ่าให้พักซะหน่อย